ซับที่มีผู้นำไป111ที่ชื่อว่ารั์ที่มีผู้นำไปได้แก่สิ่งของที่ผู้อื่นนำไปพิกษุมีทายจิตจับต้องต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิกพิกษุคิดว่าจะนทรั์พร้อมกับถือรั์เดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอบัตทุลใจ ให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอบัติปาราชิกภิกษุทํทให้รับตกด้วยคิดว่าจะเก็บรั์ที่ตกต้องอบัติทุกกฎมีเทยจิตจับต้องรั์ที่ตกมีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศต้องอบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัติทุลยใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัติปาราชิก